มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาชัตวั์ทวัตติงสะมหาปุริสะลักษณะปัญหาที่สาม ถามว่าพระพุทธเจ้างามทั้งประกอบด้วยมหาปุริสารักษณะสาสิสองจริงหรือราชาสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชาองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเษนผู้ประกอบด้วยปรีชายานสมเด็จพระมกุฏตามาจารนี้งามเป็นที่ยิ่งประกอบด้วยทวัติงสะมหาปุริสลักษณะสาสิบสอง พระชวีวันดังทองผ่องใสางามไปด้วยอสีตยานุพยันชนะน้อยใหญ่แปดสิบประการพยามั ป, ปะภามีพระรัศมีชัชวานเปล่งออกข้างละวาพระพุทธองค์ทรงโสภาคงามเป็นที่ยิ่งจิงอย่างโยมว่ากรณีแน่นอนหรือประการใดพระนาคเษกนก็ถวายพระพรรับพระราชองค์การไปว่ามหาราช ดูราณะบพิษพระราชสมภารพระขวาอันว่าสมเด็จพระพุทธองค์ผู้หักกงกรรมสังสาระจักรพระองค์ทรงพระมหาปุริสลักขณะสามสิบสองสุวรรณวันโนมีสีดังทองงามด้วยอสีตยานุพยัญชนะน้อยใหญ่นับได้แปดสิบประการอันเปล่งปลัง่งมีผิวหนังดังหนึ่งว่าเอาแก้วเจ็ดประการมาหุ้มมาทาบทา มีฉับพันนรังสีเปล่งออกรอบขอบข้างละวางามโสภาสุดที่จะอุปมาได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชากรมีสุนทรพจนานพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะ่าข้าแต่พระนาคเสนผู้มียานปรีชาตกว่าสมเด็จพระพุทธชนกชนนี ก็ ง, งาเหมือน ก, น, กนกันกับพระสัพพัญยูหรือประการใดพระนาคเสศน์จิงถวายพระพรว่าไม่เหมือนกันขณะนั้นพระเจ้ากรุงมิลินภูมิินทราธิบดีมีพระราชะองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะฆ่าแต่พระนาคเสศน์ผู้ปรีชาธรรมดาว่าบุคคลเกิดมาแม้ไม่เหมือนฝ่ายบิดาก็จะเหมือนมาข้างฝ่ายมารดา นี่สมเด็จพระอนาวรณญาณบอหนจะเหมือนมาข้างพระพันวสาสมเด็จพระพุทธเจ้านี้งามยิ่งอินพรมยมมเรศทั้งปวงเป็นเหตุฉไนนิมนวิสัชนาว่าให้โยมแจ้งก่อนพระนาเคเษนถวายพระพรว่ามหาราชดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐเหมือนดอกกมุตสัตตบุตร บ, บัวหลวงอันงามด้วยดี มีกลิ่นอันหอมล้อมด้วยผุมมรินบินเคล้าเอาเกสรหอมฟุ้งขจรอาบอบตลบไปเป็นที่จำเริญใจนั้นอันว่าปฐุมชาติและก ม, มุตอันงามบริสุทธิ์ประเสริฐเกิดที่ไหนนะบอ่อพิษพระราชสมภารพระเจ้ากรุงมิลินนาราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชา อันว่าปฐุมชาติดอกบัวและดอกกรมุดนี้ก็เกิดเหนือปัทภพีมีน้ำเลี้ยงพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนถวายพระพรถามว่าดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐดอกกรมุดดอกบัวเกิดที่ปัทภพีผิวพันธ์สีสันฉไนจึงไม่เหมือนกันกับปัทภพีเล่าพระเจ้ากรุงมิลินภูมินราธิบดีแก้ว่า เป็นธรรมดาของวิเศษจะได้มีเพศพัน์เหมือนปัตถ ภ, ภีนั้นหามไม่ได้พระนาคเษนถวายพระพรว่ามหาราชดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐบัวกรมุดอันเกิดมาในปัตถภีเป็นดอกไม้อันดีวิเศษมิได้เหมือนปัตถภีฉันใดสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ก็ไม่ได้เหมือนพระพุทธปิดตุเรศราชมารดามีครุวนาดุดบัวและกมุตอันวิเศษงามประเสริฐเกิดในปัตถีเพศไม่ได้เหมือนกันกันกบปัตถีขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชากรก็ทรงพระสมโมสรโสมนาตรัสว่ากัลโลสิสมควรแล้วที่วิสัชนาในการบัดนี้ ทวัดติงสะมหาปุลิสะลักขณะปัญหาเป็นคำรบสามจบเท่านี้